Bye. <laughs> แพรเทศหลวงพ่อทีวิจิตธรรมะเรื่องทางสามสายชาวพุทธเขาเดินทางไหนเส้นทางที่เดินไปสู่ความสุขและร่มเย็นมีกี่ทางเส้นทางที่เดินไปสู่ความสุขและร่มเย็นมีสามทางคือ1นึ่งศีลมัชเป็นเส้นทางของศีลทางหนึ่งสองสมาธิมัชเป็นเส้นทางของสมาธิทางหนึ่ง 3. ปัญญามรรคเป็นเส้นทางของปัญญาทางหนึ่ง 1. สินมรรคซึ่งได้แก่การปฏิบัติในเรื่องของสินเป็นทางเดินที่เมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์มีความสุขและร่มเย็นไม่มีความทุกข์เหมือนเส้นทางไปสู่อบายภูมิทั้งสี่สสมาธิมรรค เป็นเส้นทางของสมาธิเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้ได้ไปเกิดในพรมหรืออรูปพรมได้ภาวะแห่งการ น, นานตายขึ้นมานานตายนานเกิดไม่เหมือนมือมนุษย์และเทวดา 3. ปัญญามรรคเป็นเส้นทางซึ่งเมื่อได้ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้เดินไปสู่พระนิพพานจะไม่ตายและไม่เกิดอีก สินมักมีสามระดับดังนี้ 1. สัมผัสสอาจาระสินเป็นสินที่ไปขอสมาทานจากพระพิสุเป็นสินระดับต่ำที่สุดเพราะว่าปานาติปาตาสินข้อนี้ได้รับสมาทานจากพระพิสุแล้วว่าจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่เอาชีวิตผู้อื่นซึ่งเป็นเพียงทางวาจาเท่านั้น 2. สัมปตตาอาจาระศิลป์เป็นศิลระดับปานกลางเมื่อมีเหตุกระทบกับสิ่งที่ไม่ดีสามารถหยุดสิ่งที่ไม่ดีนั้นได้ทันทีไม่ทําผิดและไม่ลงมือกระทําคนในโลกไม่ว่าจะนับถือลทัทธิหรือาศาสนาใดก็ตามถ้าปฏิบัติได้ด้วยตนเองก็ได้รักษาศิลป์ระดับปานกลางอิสลามคริสก็สามารถรักษาศิล น, นี้ได้ เกี่ยวกับสำปตาอาจารศินก็มีเรื่องเล่าดังนี้มีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายสองคนพี่น้องวันหนึ่งแม่ไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าจะต้องเอาเลือดกระต่ายมาผสมกับยาให้แม่กินถึงจะหายจากโรคที่เป็นอยู่พี่ชายจึงบอกให้น้องชายไปพร้อมกับเพื่อนเพื่อไปจับกระต่ายเอาเลือดมารักษาแม่ น้องชายกับเพื่อนช่วยกันไล่กวดกระต่ายจนกระต่ายหมดแรงและช่วยกันจับกระต่ายได้น้องชายเห็นกระต่ายแล้วเกิดความสงสารและกระต่ายก็กระพริบตาปริบๆน้องชายจึงคิดขึ้นได้ว่าการที่ฆ่ากระต่ายให้ตายเพื่อแม่เราจะได้หายเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งน้องชายจึงปล่อยกระต่ายไปและจึงกลับบ้าน พี่ชายถามว่าไม่ได้กระต่ายมารึน้องชายตอบว่าได้แต่ฆ่าไม่ได้ที่เราอยากจะให้แม่หายแต่ต้องฆ่ากระต่ายตายน้องทำไม่ได้จึงปล่อยกระต่ายไปน้องชายจึงอธิษฐานว่าหากคําพูดของน้องเป็นคําสัต์จริงขอให้แม่จงหายจากโรคที่เป็นอยู่พอสิ้นคําอธิษฐานของน้อง แม่ก็หายจากโรคที่เป็นโดยฉับพลันจากตัวอย่างนี้เมื่อมีโอกาสได้กระทําผิดแต่หยุดยั้งคิดได้ไม่กระทําผิดนี่แหละคือสัมปตตะอาจารสินเป็นสินระดับปานกลางทุกศาสนาก็สามารถปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสินห้านั้นไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะชาวพุทธเท่านั้น ทุกคนในโลกควรมีรักษาไว้อย่างน้อยสองสาข้อถ้ารักษาได้ห้าข้อถือว่าเป็นสินที่บริสุทธิ์ถ้ามีสองข้อถือว่ามีสินดังพร้อยถ้าไม่มีสักข้อคือไม่มีสินในสินห้าดังกล่าวานี้ใครสามารถปฏิบัติได้ก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นคนและเทวดาได้ทุกชาติส อวิรัติอาจาระสินเป็นสินของพระอริยะที่รักษาได้ซึ่งไม่ได้ไปขอสินจากใครเหมือนสินของนางวิสาขาเป็นต้นเป็นสินที่เกิดขึ้นมาในจิตใจของตนเองเป็นสินที่บริสุทธิ์ประเสริฐที่สุดสินที่ได้กล่าวมาในระดับที่หนึ่งและสองนั้นเปลี่ยนแปลงและขาดได้แต่สินในระดับที่สามไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ขาดได้ต่อถึงพระนิพพานตัวอย่างของอวิรตะอาจาระสินมีดังนี้พระนางสามาวดีเป็นอครมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งเมืองโกสัมพีและมีมเหสีอีกองค์หนึ่งชื่อพระนางมาคันทยาพระนางมาคันทิยานี้ไม่ชอบพระนางสามาวดีจึงใส่ร้ายโดยกราบทูลพระเจ้าอุเทนว่า พระนางสามาวดีไม่น่าไว้วางใจดูประเด็นว่าเอาใจออกหางพระองค์และปันใจให้กับพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อให้ทดลองดูโดยให้ไก่เพื่อไปทํากับข้าวถวายพระเจ้าอุเทนจึงเอาไก่ซึ่งมีชีวิตอยู่สองตัวให้แก่พระนางสามาวดีและสั่งให้ทําอาหารมาถวายเมื่อพระนางสามาวดีได้ไก่เป็นเป็นมา พระนางจึงปล่อยไก่ไปเมื่อถึงเวลาเสวยอาหารพระเจ้าอุเทนไม่เห็นมีไก่มาถวายจึงถามพระนางว่าทําไมอาหารไม่มีเนื้อไก่พระนางตอบว่านางฆ่าไก่ไม่ได้จึงปล่อยไก่ไปหลังจากนั้นพระนางมาคันธิยาก็บอกให้พระเจ้าอุเทนส่งไก่เป็นเป็นไปใหม่โดยบอกว่าให้ทําถวายพระพุทธเจ้า จากนั้นพระนางมาคันธียาก็เปลี่ยนไก่เป็นเป็นให้เป็นไก่ที่ตายแล้วไปให้กับพระนางสามาวดีเมื่อพระนางสามาวดีเห็นว่าเป็นไก่ที่ตายแล้วจึงนำมาทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าอุเทนทราบเรื่องว่าพระนางสามาวดีทำไก่ถวายพระพุทธเจ้าจึงโกรธมากหยิบเอาธนูที่แขวนไว้ มุ่งหวังจะยิงพระนางสามาวดีแต่ยิงไม่ได้ยิงมือค้างอยู่แล้วยืนตัวแข็งเหงื่อก็ออกมากพระนางสามาวดีจึงกล่าวกับพระเจ้าอุเทนว่าให้พระองค์ลดมือลงพระเจ้าอุเทนจึงลดมือลงได้การที่พนางปล่อยไกไปนั้นพระนางไม่ได้พูดว่าปานาติปาตาเลยแต่เกิดขึ้นในจิตใจของนางเอง สินของพระนางสาวมาวดีนี่แหละเป็นสิลบริสุทธิ์เป็นสินที่ไม่มีอัตตาเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามถ้าปฏิบัติในศีลมรรมนี้ไม่อยากไปเกิดเป็นเทวาดาและมนุษย์ก็ต้องไปเกิดเป็นเทวาดาและมนุษย์อยู่ถ้าเป็นปุถุชนอยู่มีความประมาททําให้สินดางพลอยได้ความหลงลืมทําให้สินขาดได้ไม่มั่นคง การที่ก่อให้เกิดความประมาทนั้นมีฐานมาจากอตาทำให้สินขาดได้ทำให้ภาวะจะไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ถูกทำลายไปด้วยแต่สินของพระริยาเจ้านั้นไม่ด่างพร้อยเป็นสินบริสุทธิ์ในสินที่กล่าวมานี้เป็นการรักษาให้ไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์สมาธิมักทางเดินแห่งสมาธิมีสามระดับหนึ่ง บริกรรมสมาธิ 2. อ, อุคหะสมาธิ 3. อัปปนาสมาธิ 1. บริกรรมสมาธิคือการนั่งหลับตากำหนดดูลมเข้าออกเข้าออกใจมีสติพิจารณาเข้าแล้วออกแล้วดูอย่างนี้อยู่ตลอดวันและตลอดคืนอันนี้เรียกว่าบริกรรมสมาธิ คนใดก็ตามถ้าได้บริกรรมสมาธิหากตายไปในขณะบริกรรมอยู่ก็จะไปเกิดเป็นพรหมในชั้นปุโรหิตาเป็นต้นถ้าหากปฏิบัติแล้วไม่ตายก็จะได้ไปเกิดเป็นพรหมดีเทวดาดี 2. ออุคหะสมาธิการที่เห็นลมเข้าออกเข้าออกเห็นตามเข้าออกเข้าออกทุกครั้ง เห็นนิมิต ต, ต่างๆเกิดขึ้นที่ตาเห็นห้วยภูเขาน้ำเกิดขึ้นแล้วหายไปถ้าใครปฏิบัติอุคหะสมาธิจะไปเกิดเป็นอรูปพรมระดับธุติยชาญสองหรือตติยชาญสพรภูมิใดภูมิหนึ่งหากผู้ใดปฏิบัติอุคหะสมาธิไม่ได้หากตายไปก็มีโอกาสได้ไปเกิดเป็น เวดาที่ดีและมนุษย์ที่ดีเท่านั้น 3. อัปปนาสมาธินั่งเห็นลมเข้าลมออกลมเข้าออกเข้าออกคําบริกรรมหายไปเอาสมาธิตั้งไว้ที่เข้าออกเข้าออกถ้าใครปฏิบัติจนได้อปปนาสมาธิแล้วจะเป็นคนที่ด่งดังคนนับหน้าถือตามากมาย นึกอย่างไรก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นประมาณสองสามนาทีเช่นวันไหนอยากให้คนมาหาสักส0 4สี่สิคนก็จะมีคนมาหาส0 4 0ี่สิคนอยากให้คนมาเป็นร้อยก็จะมาเป็นร้อยคนนึกอยากเห็นดวงจันทร์ก็จะเห็นดวงจันทร์ประมาณสองสามนาทีแล้วก็หายไปนึกอย่างไรก็จะเห็นอย่างนั้น อยากเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นขึ้นมาทันทีผู้ที่ปฏิบัติจนถึงขั้นนี้หากตายไปจะไปเกิดเป็นพรหมชั้นปุโรหิตาแต่ว่าถ้ามีความประมาทตายไปในจิต ท, ที่ไม่เป็นอัปปนาสมาธิก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและคนบริสุทธิ์เท่านั้นสิ่งที่กล่าวมานี้แหละเช่นโลกมนุษย์เทวดาพรหมเป็นความสุขเพียงชั่วครู่ และยังมีโอกาสไปเกิดในอบายภูมิได้อีกอันหนึง่งถ้ายังมีขันห้าอยู่จะไปเกิดในภพภูมิใดก็มีความทุกข์ทั้งนั้นเพราะขันห้าเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดั บ, ดบหรือตายเกิดตายเกิดเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นทางแห่งศีลและทางสมาธิก็ดีมีความสุเปจริงแต่เป็นทางที่ไม่จบไม่พ้นไปจากทุกข์ ปัญญามั้งทางเดินแห่งปัญญามีสองทางคือ 1. ปัญญารู้คือสัมมาสังกปะ 2. ปัญญาเห็นคือสัมมาทิฏฐิปัญญาสองอย่างนี้คือปัญญาที่เดินไปสู่พระนิพพานและร่มเย็นเทวดาหรือมนุษย์คนใดก็ตามถ้าปฏิบัติอยู่บนเส้นทางปัญญาทั้งสองนี้คือสัมมาทิฐิและสัมมาสังกปะ แม้ว่าจะไม่หวังพระนิพพานนิพพานก็จะเกิดขึ้นมาเองปัญญาเห็นรู้สองตัวนี้มีสมระดับ 1. รู้เห็นสิ่งที่เกิดดับอนิจจังสงรู้เห็นเป็นทุกข์ 3. รู้เห็นเป็นอนัตตาการรู้เน้นเป็นอนิจจังและรู้เห็นทุกข์ก็ดี เป็นธรรมประจําของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในส่วนของสาวกทั้งหลายต้องรู้เห็นถึงอนัตตารู้เห็นถึงอนิจจันร์นั้นเน้นถึงรูปนามอุททยพยญาณคือเห็นร้อนเกิดขึ้นมาร้อนๆหายไปเย็นๆ เ, เกิดขึ้นหายไปเจ็บๆ เ, เกิดขึ้นแล้วหายไปเรียกว่า อุทธยพยายานประการต่อมาพังคยานคือเห็นเมื่อมีอาการเหล่านั้นดับไปหรือหายไปอย่างเดียวเมื่อเอายานสามตัวมารวมกันเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาญาณอนิจจาคือการเกิดดับเกิดดับขันไม่มั่นคงไม่แน่นอนอนุปัสสนาคือการดูเห็น ดูตามอาการเกิดดับยานคือการพิจารณาอาการที่เกิดดับเกิดดับอนิจจามียานอยู่สามตัวทุ ก, ก็มียานสามตัวการเห็นอนิจจงทุกทางนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเรียกว่าพยาญานเมื่อเกิดพยาญานคือเห็นรูปนามเป็นภัยเห็นโทษของการเป็นเทวดามนุษย์ เห็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดเห็นสิ่งที่น่ากลัวว่าเป็นโทษเมื่อเกิดญาณที่เห็นความเป็นโทษในสังขารอย่างนี้ก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากได้ขันแล้วอยากพ้นจากความเบื่อหน่ายอาการที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่านิพิทายาณญาณที่กล่าวมาสามตัวนี้เรียกว่าทุกขาวิปาาัสนาญาณคือทุก ความทุกข์ปัศนาญาณคือตามดูตามเห็นญาณคือการพิจารณาตั้งแต่หัวจรวดเท้าว่าเป็นโทษเป็นภัยฉะนั้นญาณที่เรียกว่าอานิจจานุปัศนาญาณและทุกขาวิปปัศนาญาณสองยานนี้เป็นญาณหรือปัญญาของพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ในส่วนของสาวกและมหาสาวกทั้งหลายบางรูปก็สามารถที่จะใช้ยานอนิจจานุปัสนาญาณเป็นโสดาบันได้เหมือนกันอนิจจานุปัสนาญาณและทุขาวิปัสนาญาณ น, นี้ไม่ใช่เป็นยานของพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเดียวพระสาวกหรือพระอัครสาวกก็สามารถจะประพฤติได้เหมือนกัน ถ้าหากว่ามีเชื้อพันธุ์แห่งมรคลมาแล้วในอดีตตัวอย่างเช่นท่านที่เป็นสาวกอัครสาวกที่มีบารมีเต็มขั้นมาแล้วนั้นถ้าใช้ยาทั้งสองประการนี้ก็สามารถเป็นโสดาบันได้เช่นกันแต่ในส่วนของมรคที่สูงขึ้นไปนั้นท่านก็จะต้องพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตา วิธีปฏิบัติตามอนัตตนุปสนายา น, นั้นประการที่หนึ่งเรียกว่ามูลจิตตุปสนายานคือพอเห็นทุกข์ก็เกิดความกลัวเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาไม่อยากได้ขันเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยอย่างนี้แล้วก็เกิดความประสงค์ที่อยากจะหลุดพ้นและต้องการหลุดพ้นแล้วเมื่อมีเวลาว่างหลังจากการทางานก็ภาคเพียรปฏิบัติ นั่งพิจารณาและพยายามอยู่เรียกว่าเกิดปฏิสังขานุกปัศนาญาณขึ้นมาภาคเพียรพยายามอย่างไม่ลดละทุกวันทุกคืนไม่มีการพักโดยใช้ปัญญาสองประการนั้นพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องคือปัญญาสมาธิิและสมาสังกปะเมื่อเกิดปฏิสังขานุกปัศนาญาณที่กล่าวมาแล้ว ก็เกิดสังขารูปเอกขาญาณคือสภาวะที่รูปนามเกิดดับนั้นไม่มีเงียบอยู่ก่อให้เกิดความเงียบสงบขึ้นมาการเห็นอย่างนี้เรียกว่าอนัตตานุปัสนาญาณในวิปัสนาญาณ น, นั้นอยู่เกประการเป็นอนิจาสามประการเป็นทุกสามประการและเป็นอนัตตาสามประการ ในวิปัสสนายานทั้งเก้าประการนี้เมื่อสรุปแล้วก็มีญาณสองประการคือปัญญารู้กับปัญญาเห็นสมาธิคือเห็นสมาสังกปะคือพิจารณามีธรรมสองประการนี้เท่านั้นเมื่อสมาธิและสมาสังกปะมีกำลังเต็มบริบูรณ์แล้วจึงรวมเอาศีลสมาธิรวมกันเรียกว่าเกิดอนุโลมยาน ในโพธิปักิยธรรม3ามประการนั้นมีปัญญายาณอยู่ห้าตัวในห้าตัวนี้รวมเอายกเว้นปิติกับสัต thi สองตัวและรวมเอาธรรม30สประการคือดินน้ำไฟลมยื่นส่งให้มักเรียกว่าอนุโลมยานการเกิดอนุโลมยานดังกล่าวนี้ พระพุทธองค์ทรงเห็นการเกิดขึ้นมาต่อเนื่องนั้นเป็นแสนโกรภพระสาราีบุตรเห็น51ระยะแต่ปกติสาวกทั่วไปเห็นเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวเมื่อเกิดอนุโลมยาณขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเกิดโคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานคือการข้ามจากปุถุชนสู่การเป็นอริยะ ในช่วงระยะเวลาเกิดโคตรภูยานี้เป็นการข้ามเกิดขึ้นมาชั่วระยะเพียงลัดนิ้วมือเท่านั้นข้ามจากปุตชนได้มรทีเดียวได้ทำเก้าตัวชั่วระยะเวลาเดียวเหมือนกันหลังจากมรเกิดขึ้นแล้วต่อไปก็เป็นผลผลนี้กินระยะเวลานา น, านหลายชาติถ้าเป็นโซดาปฏิผลตัวอย่างเช่นนววิสาขานั้น หลังจากที่ว่างเว้นจากการงานแล้วก็อยู่ในใจผลในสภาวะที่เย็นเงียบอยู่แต่ไม่สามารถจะบอกใครได้นางวิสาขาตั้งแต่บรรลุโสดาบันมาจนถึงเจ็ดชาติก็อยู่ในใจปฏิผลทั้งหมดในการเห็นอนัตตาหรือในการตรัสรู้ของพระองค์นั้นเรียกว่าเกิดขึ้นครั้งเดียวคือมรสีมรัส และตัดกิเลสสิบตัวทีเดียวก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในการบรรลุธรรมของพระสาวกและพระอัครสาวกนั้นเรียกว่าบรรลุระดับโซดาบันท่านใช้เพียงแค่ฟังธรรมเท่านั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติเหมือนพวกเราท่านใช้ศรัทธาธรรมตัดวิจิกิจชา้าและอัตตาก็ตายลงพร้อมกันพระสาวีบดและพระนางเขมาเทรี หลังจากเป็นโสดาบันแล้วก็ต้องมานั่งปฏิบัติอยู่พิจารณาเห็นอนัตตาอยู่พระสารีบุตรปฏิบัติต่ออีกส5ห้าวันจึงบรรลุเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลานะเจ็ดวันจึงได้เป็นพระอรหันต์ในอครสาวกสี่องค์และพระมหาสาวกแปสองค์รวม8ปองค์นี้ได้บรรลุมรรคสีและมรรคสีนี้บรรลุสองครั้ง ส่วนของภาคปกติสาวกทั่วไปนั้นก็เรียกว่าเป็นทัศนสโสดาบันหรือทัศนอริยะคือต้องใช้ปัญญาดูกับปัญญาพิจารณาจึงจะบรรลุธรรมในการบรรลุธรรมของแต่ละท่านนั้นในปกติสาวกจะบรรลุสี่ครั้งคือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์บางท่านใช้เวลาคืนเดียว บางท่านใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีจึงบรรลุพระอรหันต์สิ่งที่ได้กล่าวมานี้เป็นทางเดินของคนเทวดาพรหมและทางเดินของพระอริยะทางเดินของคนและเทวดานั้นก็คือการถือศีลทางเดินของพรหมก็คือการปฏิบัติในเรื่องสติและสมาธิทางเดินของพระอริยะคือเดิอนอยู่บนหนทางแห่งปัญญา ใครก็ตามหากประสงค์จะเป็นพระอริยะแล้วก็จงเดินบนหนทางแห่งปัญญาอย่างที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายเดินมาแล้วถ้าหากว่าเดินตามนี้วันหน้าเดือนหน้าปีหน้าเราก็จะบรรลุเป็นพระอรหันได้คำว่าอริยะนั้นคือผู้ไม่กระทาผิดอีกต่อไปตรงข้ามกับปุถุชนซึ่งแปลว่าผู้ที่ยังทำผิดอยู่ พระอริยเจ้าท่านไม่ทําผิดเพราะว่าท่านไม่มีความเห็นผิดไม่มีอัตตาตัวตนแล้วในส่วนของปุถุชนนั้นมีความเห็นผิดอยู่มีอัตตาตัวตนอยู่จึงทําผิดอยู่ปุถุชนนั้นแม้ว่าจะทําบุญทําทานก็เรียกว่าทําด้วยอัตตาเรียกว่าทานุ ป, ปาทานแม้ว่าจะมีปรับพฤติสินยึดถือในศินเรียกว่า สีละปตุปตาหรือว่าปฏิบัติทางสมาธิจิตเหาะเหินเดินอากาศได้เรียกว่ายังมีจิตอัตาคือจิตอุปทานอยู่นางวิสาขาทําทานเรียกว่าทานวิสุทธิทานไม่มีอัตาเป็นทานบริสุทธิ์ไม่มุ่งหวังที่จะได้ภทขัพย์ในโลกมนุษย์หรือเทวดาประพฤติศีลอยู่ก็เป็นศีนบริสุทธิ์ ไม่มุ่งหวังจะไปเกิดในโลกมนุษย์และเทวดาอีกปฏิบัติสมาธิสมาธิของเขาก็บริสุทธิ์ไม่มุ่งหวังที่จะไปเป็นพรหมไม่ไปเหาะเหินเดินอากาศให้เข้าใจง่ายๆก็คือในปุถุชนนั้นแม้ว่าจะทำทานก็มีตัวตนอยู่เป็นพื้นฐานไม่บริสุทธิ์แม้ว่าจะถือศีลก็เอาตัวตนเป็นหลักเป็นที่ตั้งมีอัตตาตัวตนอยู่ จึงไม่บริสุทธิ์ในส่วนของพระอริยเจ้านั้นหมดอัตตาแล้วการทำงานของพระอริยเจ้าจึงบริสุทธิ์สิ้นเชิงทางที่กล่าวมาในวันนี้คือทางไปสู่สุขร่มเย็นคือทางใช้ศีลไปเกิดเป็นเทวาดาและมนุษย์ใช้สมาธิไปเกิดในพรหมการใช้ปัญญาไปสู่พระนิพพาน ขอให้โยมและผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเดินทางแห่งปัญญาเพื่อที่จะได้ไปนิพพานกันทุกคน